ครั้งนั้นเมื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันเลือกเฟ้นก็ยังไม่ได้มงคลทั้งหลายล่วงไปสิบสองปีเทวดาชั้นดาวดึงก็คบหาสมาคมกันก็ช่วยกันคิดว่าอย่างเงี้ยนะมาปรึกษาดูที่ว่าอะไรเป็นมงคลนะเจ้าของเรือนก็เป็นหัวหน้าของคนภายในเรือนบหมือนกันเจ้าของหมู่บ้านก็เป็นหัวหน้าของชาวหมู่บ้านพระราชาก็เป็นหัวหน้าของมนุษย์ทั้งหลายเท้าสักกะจอมถวยเทพนี้ก็เป็นผู้เลิกประโสนสุดของพวกเรา คือเป็นอธิบดีของเทวโลกทั้งสองคือชั้นจาตุมกับดาวดึงด้วยบุญเดชอิสริยะปัญญาถ้าะไรเราพึงพากันไปทูลถามความข้อนี้กับเท้าส ก, กะจอมถวยเทพเทิดเทวดาเหล่านั้นก็พากันไปยังสำนักของเท้าส ก, กะถวายบังคมจอมถวยเทพซึ่งมีพระสรีระมีเิด้วยอาภรณ์ประจัมพระองค์อันเหมาะแก่ขณะนั้นมีหมู่อักรสรโกรธห้อมล้อม นางฟ้าเยอะเนาะประทับนั่งเหนือบรรทุกกรรมพลศิลาอาทอันประเสริฐภายใต้ต้นปาริฉัตกะแล้วยืนหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งทูลว่าขอประทานพวโรกาสพระองค์ผู้นิรทุกข์โปรดทรงทราบเถิดบัดนี้มงคลปัญหาตั้งขึ้นแล้วพวกหนึ่งกล่าวว่ารูปที่เห็นเป็นมงคลพวกหนึ่งกล่าวว่าเสียงที่ได้ยินเป็นมงคลพวกหนึ่งบอกว่าสิ่งที่ทราบแล้วเป็นมงคลนะพวกที่บอกว่าเห็นเป็นมงคลเรียกว่าทิฏฐะ มังคลิกะเนี่ยนะพวกได้ยินบอกเป็นมงคลก็สุตตะมังคลิกะพวกทราบเป็นมงคลก็มุตตะมังคลิกะนีนะบรรดาท่านเหล่านั้นพวกข่าผาบาทและพวกอื่นยังไม่ได้ข้อยุติว่าไงเถอะยังไม่รู้เลยว่าสรุปมันเป็นยังไงกันแนะ่หาข้อยุติหาข้อสมควรยังไม่ได้สาธุดีแล้วว่าไงขอพระองค์โปรดทรงพยากรณ์ตามเป็นจริงแก่พวกฆ่าพระบาท ด, ด้วยเถิดว่าั้นะไปถึงก็อ้อนวอนหน้าดูเลยนะช่วยเล่าบอกให้ฟังที ท้าวสกเทวราชแม้ปกติก็ทรงมีปัญญาว่างั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดอยู่แล้วจึงตรัสว่าเรื่องมงคล น, นี้เกิดขึ้นที่ไหนเล่าก่อนว่างั้นเรื่องนี้มันเกิดที่ไหนเทวดาทั้งหลายก็เล่าว่าข้าแต่เทวราชพวกข้าพระบาทฟังคําของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชต่อจากนั้นพวกจาตุมมหาราชก็ฟังถ้อยคำแกลกพวกอากาศเทวดาพวกอากาศเทวดาก็ฟังคําของพวก ภูมเทวดาพวกภูมิเทวดาก็ฟังคําของเทวดาผู้รักษามนุษย์พวกเทวดาผู้รักษามนุษย์ก็กล่าวว่ามงคลเนี่ยเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เหมือนกันลําดับนั้นเท้าสักกะจอมถวยเทพเนี่ยนะตรัสถามจอมเทวดาเหล่านั้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนเทวดาทั้งหลายก็ทูลว่าประทับอยู่ในมนุษย์โลกพระเจ้าค้าตรัสถามว่า ใครได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลหรือนะมีใครไปถามพระองค์หรือยังว่าอะไรเป็นมงคลเทวดาทั้งหลายก็ทูลถามตอบว่าใครได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ไม่มีเหมงอนกันตรัสว่าดูก่อนท่านผู้มีทุกข์ทำไมหนอท่านทั้งหลายจึงพากันมาทิ้งดวงไฟเสียแล้วมาตามต่อไฟจากแสงหิ่งห้อยเหมงอนกันเถอะ ไอ้ไฟที่มันลุกๆไม่ไม่ไม่ไมาต่อมาขอต่ออาจากแสงหิ่งห้อยมันเห็นสว่างสว่างก็มาข อ, อาต่อไฟเลยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงเหมืนกันด้วยเหตุไรท่านทั้งหลายจึงมาร่วงเลยพระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสดงมงคลไว้ไม่เหลือเสียเล่ายังเข้าใจว่าควรใจใดถามเรามาเถอดท่านผู้นิรุกุขทั้งหลายเราจะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพวกเราคงจะได้พยาการปัญหา อันมีสิริแน่แท้จึงมีเทวองค์การใช้เทพประบุตรองค์หนึ่งว่าท่านจงไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเทพประบุตรองค์นั้นก็แต่งองค์ด้วยเครื่องอลังการอันเหมาะแก่ขณะนั้นรุง่งโรดดุดสายฟ้าแลบมีมูเทพแวดล้อมไปยังพระเฉตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลถามปัญหานี้ว่า พหูเทวามนุษสาจะมังคลานิอาจินตยงอกรังคามนาโสทานังพลูหิมังคลมุตตะมังวงงันที่แปลว่าก็บอกว่าพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็าพากันคิดถึงปัญหาวา ง, งันโสทานังเนี่ยนะแปลว่าความสวัสดีเนี่ยนะอธิบายว่าความที่ทําทั้งหลายอันเป็นไปในปัจจุบันและในภายภาคหน้าทุกอย่างสวยงาม ดีอ่าสวยดีงามดีเนี่ยนะชื่อว่าสวัส ด, ดีเนี่ยสวัส ด, ดีหมายคือว่าคือในปัจจุบันก็ดีภายภาคหน้าต่อไปก็ดีเรียกว่าสวัส ด, ดีฝั่งกันตอนนี้ขอให้ดีนะตอนหน้าต่อไปก็ขอให้ดีอีกเรียกว่าสวัส ด, ดีฝั่งกันพระฤหิเขบอกว่าบอกประกาศเปิดเผยจำแนกทําให้ง่ายมังคลังคําว่ามงคลเนี่ยแปลว่าเหตุแห่งความสําเร็จหรือว่าเหตุแห่งความเจริญหรือว่าเหตุแห่งสมบัติทุกอย่างนะคำว่ามงคน คำว่าอุตมังเนี่ยนะเาหมายเขาว่าไอเหตุแห่งความสำเร็จเหตุแห่งความเจริญเหตเหตุแห่งสมบัติทุกอย่างเนี่ยนะที่วิเศษประเสริฐวางนำประโยชน์สุกมาให้โลกทั้งปวงว่างั้นทีนี้ถ้ารวบรวมเนื้อความโดยสรุปว่าเทพบุตรนั้นแหลเห็นเทวดาในหมื่นจักรวาลชุมนุมกันในจักรวาลนี้ เพราะอยากจะฟังมงคลปัญหาพากันเนรมิตอัตภาพอันละเอียด10บ้าง20บ้าง30 4สี่สิบห้าสบบ้างขนาดโอกาสปลายขนทรายขนหนึ่งยืนห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับนั่งเนื้อพุทธอาสนะอันประเสริฐที่จัดไว้เปล่งพระสมีครอบงมเทวดามารพรมทั้งหมดด้วยพระสิริและพระเดช และยังรู้ปริวิตตกแห่งใจของเหล่ามนุษย์ชาวชมพูทวีปที่ไม่ได้มาประชุมในสมัยนั้นด้วยใจของตนเองจึงกล่าวเพื่อถอนลูกศรคือความสงสัยของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากพาปรารถนาความสวัสดีจึงพากันคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัส บ, บอกมงคลด้วยเถอพระพุทธเจ้าค่ะ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นผู้ซึ่งข้าพระองค์ทูลถามแล้วโดยอนุมัติของเทวดาเหล่านั้นและโดยอนุเคราะมนุษย์ทั้งหลายมงคลอันใดเป็นอุดมสูงสุดเพราะนํามาซึ่งประโยชน์สุขแก่ข้าพระองค์หมดด้วยกันโปรดอาศัยพระกรุณาตรัสบอกมงคลอนนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วะ น, นะก็พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อาเสวนาจะพาลานังปันตนินานจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตะมังเนี่ยนะก็คือการไม่คบคนพาเ น, นี่ยหนึ่งการครบบัณฑิตเนี่ยหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยหนึ่งนั่นนะทั้งสามประการ น, นี้เป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยนะอธิบายว่าการไม่คบคนพา น, นั้นคําว่าคนพาน ก็คือคนที่เป็นอยู่หายใจได้นี่นะหมายความว่าศัก์แต่ว่ามีชีวิตหายใจเข้าออกเท่านั้นเองคือเป็นอยู่โดยเพียงหายใจเข้าหายใจออกไม่เป็นอยู่โดยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยนะส่วนบัณฑิตนั้นคำว่าบัณฑิตเพราะดำเนินไปอธิบายว่าดำเนินไปด้วยคติคำว่าคติเป็นชื่อของปัญญานะคือรู้ประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ในภายภาคหน้า ส่วนคำว่าเสพหรือเสวนานี่นะแปลว่าการคบการเข้าไปนั่งใกล้หรือมีบัณฑิตนั้นเป็นสหายมีบัณฑิตนั้นเป็นเพื่อนความพรักพร้อมด้วยบัณฑิตนั้นส่วนมงคลข้อที่สที่ว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยนะคว่าบูชาหมายถึงการทำสการะการเคารพการนับถือหรือการกราบไหว้ส่วนบุคคลผู้ควรบูชาก็คือผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายนั่นเอง ในสามมงคล น, นี้ประมัทเธชติการอธิบายว่าในคาถานี้บอกคนที่ไม่ควรครบในคนที่ควรครบและไม่ควรครบนี่นะแล้วจึงบอกคนที่ควรครบเปรียบเหมือนบุรุษผู้ฉลาดรู้จักทางรู้จักทั้งสิ่งที่ไม่ใช่ทางถูกถามถึงทางจึงบอกทางที่ควรละเว้นเสียก่อน แล้วในภายหลังจึงบอกทางที่ควรยึดถือไว้ว่าในที่ตรงนู้นมีทางสองแพร่งในทางสองแพร่งนั้นพวกท่านจงละเว้นทางซ้ายเสียแล้วยึดถือเอาทางขวาฉะนั้นเนี่ยนะคล้ายกับคนที่ไปธุระที่ไหนสักแห่งไปไปถามคนรู้จักทางนะซึ่งข้างหน้ามันมีทางแยกอะ่ะเขาก็บอกทางที่ควรเว้นก่อนแล้วก็สมมติว่าอย่าไปซ้ายนะให้ไปขวาอย่างเงี้ย พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นเสมือนบุรุษผู้ฉลาดในทางอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนติสสะคําว่าบุรุษผู้ฉลาดในทางนี้เป็นชื่อของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงอยู่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นฉลาดรู้โลกนี้ฉลาดรู้โลกอื่นฉลาดรู้ถิ่นมัจจุราชเนี่ยนะฉลาดรู้สิ่งอ่ะฉลาดรู้ทั้ง ไม่ใช่ถินมัจจุฉลารู้บ่วงมานฉลารู้ทั้งสิ่งไม่ใช่บ่วงมานคําว่าถินมัจจุก็คือพวกอุปาทานขันห่านะถินไม่ใช่มัจจุก็ได้แก่พระนิพพานนั่นแหละบ่วงมานก็ได้แก่ขันห่านั่นแหละส่วนถินไม่ใช่บ่วงมานก็คื อ, อมรรลนิพพานานะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสบอกถึงบุคคลที่ไม่ควครคบก่อนจึงตรัสว่าการไม่คบคนพาน การครบบัณฑิตความจริงคนพาลทั้งหลายเนี่ยนะไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้เหมือนทางที่ควรละเว้นแต่นั้นก็ควรครบควรเข้าใกล้แต่บัณฑิตเหมือนทางที่ควรยึดถือเอาไว้ผู้ทักทวงกล่าวว่าก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัตมงคลจึงตรัสการไม่คบคนพาลและการครบบัณฑิตก่อน อขอชี้แจงดังนี้ว่าเพราะเหตุที่พวกเทวดาและมนุษย์ยึดความเห็นว่าเป็นมงคลในสิ่งที่เห็นแล้วเป็นต้นคือเขาถือว่าสีที่เห็นนี่แหละเป็นมงคลบางพวกก็บอกว่าเสียงที่ได้ยินนี่แหละเป็นมงคลบางคนก็บอกกลิ่นรสโพธิภัณนั่นแหละเป็นมงคลที่มนุษย์หรือเทวดาไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นมงคลก็เพราะ อ, อะไรเพราะเขาคบคนผ่ า, น, า น, นทั้งการคบคนผ่านนั้นก็ไม่เป็นมงคล หมายความว่ามิจฉาทิถิเนี่ยนะที่เขาเกิดเพราะเขาคบคนพานแล้วการครบคนพานนี่จึงไม่เป็นมงคลเลยฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงติเตียนการสมคบกับคนที่ไม่ใช่กาลยาณมิตรซึ่งหักรานประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าและทรงสรรเสริญการสมาคมกับกาลยาณมิตรซึ่งให้สําเร็จประโยชน์ในโลกทั้งสองจึงตัด การไม่คบคนพานและการครบบัณฑิตก่อนแกเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นในสัตว์ทั้งหลายทุกประเภทผู้ประกอบด้วยอากุศลกรรมบทมีตานาติบาตเป็นต้นชื่อว่าคนพนันเนี่ยนะคำว่าคนพานก็คือคนที่ล่วงอากุศลกรรมบดเนี่ยนะคนพานเหล่านั้นจะรู้ได้ก็ด้วยอาการสามเนี่ยนะถ้าจะรู้จากคนพา น, นะนะเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลาย พาลลักษณะของคนพาลเนี่ยนะมีอยู่สามอย่างนะก็ลักษณะสามอย่างนี่แหละทำให้รู้ว่าใครเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตคำว่าลักษณะสามอย่างของคนพาลก็คือถ้าคนพาลจะทำก็ทำแต่ความชั่วถ้าจะพูดก็พูดแต่คำชั่วถ้าจะคิดก็คิดแต่เรื่องชั่วชั่ว่า ง, งั้นเพราะฉะนั้นลักษณะสามอย่างกายวาจาใจาที่เป็นไปในความชั่วทั้งหลายลักษณะนั่นแหละเรียกว่าคนพาล หรืออีกอย่างหนึ่งครูทั้งหกมีปุรณะกสปะเป็นต้นและสัตว์อื่นๆเห็นปานนั้นเหล่านี้เช่นพระเทวทัตเนี่ยนะถ้าเป็นพระภิกษุก็พระเทวทัตพระโกกาลิกะกะตะโมทกะเนี่ยนะติดสะขันดาเทวีบุตรหรือว่าสมุทะทัตะนางจินจามานวิกาเป็นต้นแล้วก็พี่ชายของทีฆะวิทะ นนะในครั้งอดีตก็เพิ่งทราบว่าเป็นคนพาลอันนี้ยกตัวอย่างว่าคนพาลในสมัยก่อนเนี่ยนะคนที่มีลักษณะแบบนี้แหละชื่อว่าคนพาลศาสดาทั้งหกสมัยพุทธกาลหรือว่าพระเทวทัตเป็นต้นนั่นแหละคนพาลเหล่านั้นย่อมยังตนเองและเหล่าคนที่ทำตามความของตนให้พินาศด้วยทิฏฐิขตานี่นะคือด้วยความเห็นผิดที่ตนถือเอาไว้ไม่ดีเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ อย่างเหมือนพี่ชายของทีฆาวาทะเนี่ยนะทีฆวิทะลม้มลงนอนหงายด้วยอัตภาพประมาณหกสิบโยชนมกไม้อยู่ในมหานรกอยู่ถึงสี่พุทธันดรเ น, นี่ยนะนวดเนื่องจากความเห็นผิดน่ะนะมิชาทิฏฐิอ น, นั้นเนี่ยตกในรกสี่พุทธันดรหรือเหมือนตระกูลห้าร้อยตระกูลที่ชอบใจทิฐิความเห็นของพี่ชายของทีฆาวิทะนั้น เข้าอยู่ร่วมเป็นสหายของพี่ชายของทีฆวิทะนั้นแหละหมกไหมอยู่ในมหานรกฉะนั้นผันคนพ่านคนเดียวเนี่ยนะพาให้คนอื่นเนี่ยนะหมกไหมอยู่ในมหานรกเนี่ยมหาศาลดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายไฟลามจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าย่อมไหมแม้เรือนยอดซึ่งฉาบไว้ทั้งข้างในและข้างนอกเนี่ยนะ กันลมได้ลงกรอนสนิทปิดหน้าต่างไว้เปรียบชันใดดูความพิสูจนทั้งหลายภัยทุกชนิดย่อมเกิดเปรียบฉันนั้นเหมือนกันภัยเหล่านั้นทั้งหมดเกิดจากคนพาลไม่เกิดจากบัณฑิตอุปทวะหรืออุบาททุกอย่างเนี่ยนะย่อมเกิดจากคนพาลไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคทุกอย่างย่อมเกิดจากคนพาลไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตนะดูความพิสูนทั้งหลายดังนั้นคนพาล เป็นภัยบัณฑิตไม่เป็นภัยคนพาเ น, นี่ยอุบาทมั้งกันบัณฑิตไม่อุบาทคนพาอนนี้เป็นอุปสรรคบัณฑิตไม่เป็นอุปสรรคเนยนะคนพาอนนี้ก็เปรียบเสมือนปลาเน่านะผู้ที่คบคนพาเนก็เหมือนกับห่อด้วยใบไม้ที่ห่อปลาเน่าย่อมประสบภาวะที่วินยูชนท่อทิ้งและรังเกียจนะคนพาเ น, นี่ยนะก็ เป็นสิ่งที่เน่าเหม็นใครที่ไปเกี่ยวข้องไปคบหาสมาคมกับคนพาลก็เลยเน่าเหม็นติดตามไปด้วยนะอย่างที่พระองค์ตรัสว่านรชนใดผูกปลาเน่าด้วยปลายยาคาแม่ยาคาของนรชนผู้นั้นก็มีกลิ่นเน่าฟุ้งไปด้วยการครบคนพาลก็เป็นอย่างนั้น ถ้าพูดสมัยนี้นะรถเก่งรถอะไรทั้งหลายแลเนี่ยนะมันไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอ่ะนะถ้าลองเอาปลาไปใส่ดูเถอะพอเอาปลาลงไปแล้วเนี่ยนะกลิ่นคาวเนะี่ยติดรถไปหมดเลยเหมกันอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันคนพานก็ลักษณะนั้นอ่ะนะอันหนึ่งเล่าเมื่อเท้าสักกะจอมทวยเทพประทานพรแกอกิติบัณฑิตซึ่งอักฑิติ นะอย่างที่พระ อ, องค์ตรัสว่านรชนใดผูกปลาเน่าด้วยปลายยาคาแม้ยาคาของนรชนผู้นั้นก็มีกลิ่นเน่าฟุ้งไปด้วยการครบคนพาลก็เป็นอย่างนั้นถ้าพูดสมัยนี้นะรถเก่งรถอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะมันไม่ได้มีกลิ่นเหม็นนะถ้าลองเอาปลาไปใส่ดูเหอพอเอาปลาลงไปแล้วเนี่ยนะกลิ่นคาวนี่ติดรถไปหมดเลยอย่างนั้น อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันคนพานก็ลักษณะนั้นน่ะอันหนึ่งเล่าเมื่อเท้าส ก, กะจอมถวยเทพประทานพรแกอกิติบัณฑิตซึ่งอกิติบัณฑิตเขาขอพร อ, อย่างนี้ว่ า, านะนะไม่ควรครบคนพานไม่ควรฟังไม่คูไม่ควรอยู่ร่วมกับพานไม่พึงทำการเจรจาปราศัยกับพานไม่ควรชอบใจคนพานเหมนน คืออย่าไปเกี่ยวข้องกับคนพาลโดยประการทั้งปวงอ่ะนะคนชั่วคนเลวเนี่ยเหมือนกับสมัยนีย้พวกติดยาทั้งหลายแหละเนี่งอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอ่า ง, งั้นเถอะห่างได้เป็นห่างทีนี้ท้าวสากาัดก็เลยถามว่าท่านกสปะคนพาล น, นี้ได้ทําอะไรให้แก่ท่านหรือท่านโปรดบอกเหตุมาสิเพราะเหตุไรท่านจึงไม่อยากเห็นคนพาล น, นะท่านกสปะทําไมคนพาลมาทําอะไรให้แกท่านนะ่ะท่านจึงไม่อยากคบหาสมาคมกับคนพาล อกิติบัณฑิตก็เลยบอกว่าคนปัญญาสามเนีย่ยนะคนพาเนี่ยปัญญาสามย่อมแนะนำข้อที่ไม่ควรแนะนำเนีย่ยนะเขาแนะนำอะไรบ้างอะแนะนำในการฆ่าสัตว์แนะนำในการลักทรัพย์แนะนำในการติดยาเสพติดเป็นต้นเนี่ะนะเพรา ะ, ะเขาแนะนำในเรื่องที่ไม่ควรแนะนำย่อมประกอบคนไว้ในกิจที่ไม่ใช่ธุระเลยเนะี่ย สิ่งที่ไม่ใช่ธุระเช่นศรัท ธ, ธาธุระศีลธุระสมาธิธุระปัญญาธุระเนี่ยเป็นธุระที่ควรแนะนําเขาก็ไปแนะนําในธุระที่ไม่ใช่เรื่องเท่าไรการแนะนําเขาก็แสนจะยากถ้ามีบัณฑิตไปแนะนําในประโยชน์แก่คนพานนะเขาก็รับยากอีกเพราะเขาถูกว่ากล่าวโดยดีก็โกรธคนพานนั้นไม่รู้จักวินัยการไม่เห็นเขาเสียได้นั่นแหละเป็นการดี อย่าไปคบหาสมาคมอย่าไปเห็นอย่าไปนั่งใกล้อย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่าไปคิดว่างั้นนะแค่คิดถึงเขาก็เสียหายแล้วอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงติเตียนการครบคนพาลโดยประการทั้งปวงอย่างนี้จึงตรัสว่าการไม่คบคนพาลเนี่ยเป็นมงคลว่างั้นนะหลีกเลี่ยงคนชั่วทั้งหลายแลยเนี่ยเป็นมงคลจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าอันตรายทุกอย่างโทษภัยทุกชนิดเกิดจากคนพาลทั้งนั้นเลยเนี่ยนะ ทีนี้พระองค์จะสรรเสริญการคบบัณฑิตจึงตรัสว่าการคบบัณฑิตนี้เป็นมงคลนะถามว่าบัณฑิตเป็นยังไงล่ะก็คือสัตว์ทุกประเภทที่ประกอบด้วยกุศลกรรมรบทสิบนี่นะเช่นงดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นนะนะคนที่งดเว้นจากคันฆ่ า, าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมอ่ะนะคนที่ไม่พูดเท็จไม่พูดคํำยามไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดสซเสียลเนี่ย คนที่ไม่มากไปด้วยอภิชาไม่มีพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิคนเหล่านี้แหละเรียกว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตเหล่านั้นจะรู้ได้ก็ด้วยอาการทั้งสามเนี่ยนะอย่างที่พระ อ, องค์ตรัสว่าดูความพิสูจนทั้งหลายบัณฑิตลักษณะเนี่ยนะหรือลักษณะของบัณฑิตเนี่ยมีสมอย่างคือบัณฑิตเมื่อจะทําก็ทําแต่กายสุจริตเนี่ยนะคือทําดีอย่างนั้นเถิดถ้าจะพูดก็พูดเป็นวจีสุจริตถ้าจะคิดก็คิดเป็น มนโนสุจริตเนี่นะเพราะฉะนั้นความที่เขามากไปด้วยสุจริตทั้งสามนี่แหละบัณฑิตก็เลยรู้ได้ว่าเออเขานี่เป็นบัณฑิตนะหรืออีกในหนึ่งอ่ะนะพระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าพระอสิติ ม, มหาสาวกคือสาวกผู้ใหญ่แ80ดสิองค์อ่ะนะพระสาวกอื่นของพระตถาคตและบัณฑิตมีสุเนตตาสดามหาโควินศาสดา ขวิทูลบัณฑิตเนี่ยนะสรพังคดาบทพระมโหสถสุตโสมบัณฑิตพระเจ้านิมิราชอโยคารกุมารและอกิติบัณฑิตเป็นต้นเนี่ยนะท่านเหล่านี้ชื่อว่าบัณฑิตในบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะโอ้ต้องดูเอาในชาดกนะอย่างเช่นสุเนศาสดาเนี่นะหรือว่ามหาโควินวิทูลสรพังคพระมโหสถสุตโสมนิมิราชเนี่ยนะอโยคระอกิติเนี่ยท่านเหล่านี้อยู่ในชาดกนะเพราะว่า แต่ละท่านแต่ละท่านในเรื่องราวเนี่ยพิสดารมากเลในความเป็นบัณฑิตของท่านมันไม่เอามาแสดงที่นี่เพราะเอามาแสดงที่นี่นะก็ยาวกว่ามงคลหลายเท่านักเหมือนกันบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้สามารถกําจัดภัยเนี่ยนะกำจัดอุบาทเหมือนกันแต่กำจัดอุปสรรคได้ทุกอย่างแก่พวกที่ทําตามคําสอนของตนใครที่ปฏิบัติตามคําสอนของบัณฑิตเหล่านี้เนี่ยพ้นภัยพ้นอุปสรรคพ้นอุบาทหมดเลย ประหนึ่งเนี่ยนะป้องกันได้ในเวลามีภัยท่านช่วยป้องกันในเวลามีภัยป้องกันในเหมือนกับดวงประทีพในเวลามืดเหมือนกับข้าวน้าเป็นต้นในเวลาถูกทุกมีหิวกระหายเป็นต้นครอบงำจริงอย่างนั้นนะตัวอย่างเช่นว่าคนที่อาศัยพระตถาคตเนี่ยนะอาศัยพระพุทธเจ้าพวกเทวดาและมนุษย์นับไม่ถ้วนประมาณไม่ได้พาการบรรลุรรมเป็นที่สิ้นอาสวะ นะหรือว่าดำรงอยู่ในพรหมโลกดำรงอยู่ในเทวโลกเกิดในสุขติโลกเนี่ยนะนับประมาณไม่ได้เลยนะคนที่ซ่องเสพหรือคบหาสมาคมนับถือพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกเนี่ยนับประมาณไม่ได้ว่าเท่าไรตระกูล8 0ดหมื่นตระกูลที่ทําจิตให้เลื่อมใสในระษาริบุตรเถระและบํารงพระเถระด้วยปัจจัยสี่ก็บังเกิดในสวรรค์ตระกูลทั้งหลายทาจิตให้เลื่อมใสในพระมหาสาวกทั้งปวง นับตั้งแต่พระมหาโมคคลานะพระมหากระสปะเป็นต้นก็อย่างนั้นเหมือนกันนะคือเขาไปพ้นอบา ย, เ, ย, เ, ยเกิดในสุคติโลกสวรรค์กันหมดหรือสาวกทั้งหลายของสุเนศศาสดาบางพวกก็เกิดในพรหมโลกบางพวกก็เกิดในเหล่าเทพชั้นปารณิ ม, มิตาวัสวัต ด, ดีเนี่ยนะชั้นนิมมานาดีชั้นดุสิตชั้นยามาชั้นดาวดึงชั้นจาตมุมหาราชบางพวกก็เกิดเป็นกษัตริย์บางพวกก็เกิดเป็นพรามณ์ มหาสานบางพวกก็เกิดเป็นเครหบดีมหาสารเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายไม่มีภัยแต่บัณฑิตไม่มีอุปัตวะคืออุบาทแต่บัณฑิตไม่มีอุปศัคแต่บัณฑิตอันหนึ่งนี่นะบัณฑิตเหมือนของหอมมีกฤิศนาและดอกไม้เป็นต้นของหอมนะคนผู้ค้อบัณฑิตก็เสมือนห่อด้วยใบไม้ที่ห่อของหอมมีกฤษนา และดอกไม้เป็นต้นยังประสบภาวะที่วินยูชนชมเชยและพอใจเนี่ยนะคือเขาเป็นบัณฑิตนะใครที่ไปคบกับบัณฑิตก็มีแต่ได้ส่วนดีอย่างเดียวอย่างที่พระองค์ตรัสว่านรชนผู้ใดห่อกฤษณาไว้ด้วยใบไม้แม้ใบไม้ของนรชนผู้นั้นก็ส่งกลิ่นหอมฟุง้งการครบบัณฑิตก็เหมือนอย่างนั้น แม้แต่อกิติดาบทขอพอรจากเท้าส ก, กะก็ขอพอรว่าควรคบบัณฑิตควรฟังบัณฑิตควรอยู่ร่วมกับบัณฑิตควรทําการสนทนาปราศัยกับบัณฑิตและควรชอบใจในบัณฑิตนั้นทีนี้เท้าส ก, กะก็เลยถามว่าท่านกสปะบัณฑิตนี้ทําอะไรให้ท่านโปรดบอกเหตุมาสิว่งงาไงเพราะเหตุไรท่านจึงอยากจะพบบัณฑิตนะท่านกสปะ อยากรู้เหลือเกินเนี่ยบัณฑิตนี่ดียังไงเนี่ยนะทำไมจึงอยากคบหากับเขาเหลือเกินกิติก็เลยบอกว่าบัณฑิตย่อมแนะนำเรื่องที่ควรแนะนำเนี่ยนะไม่จูงเนี่ยนะไม่ชักจูงในสิ่งที่ไม่ใช่กิจธุระแนะนำเขาก็าง่ายดีเพราะเขาถูกว่ากล่าวโดยดีก็ไม่โกรธบัณฑิตนั้นรู้วินยัยสมาคมกับบัณฑิตนั้นได้เป็นการดี คือถ้าหาว่าคบหาสมาคมกับบัณฑิตเนี่ยนะเขาก็จะแนะนําในสิ่งที่ควรแนะนําแนะนําให้เจริญกุศลเจริญคุณงามความดีทุกอย่างนะั่นแหละเขาก็แนะนําในสิ่งที่เป็นธุระคือแนะนําในศรัทธาในศีลในปัญญาเป็นต้นหรือถ้าคนอื่นจะแนะนําเขาก็แนะนําง่ายเพราะถ้าหากว่าแนะนําเขาเขาก็ไม่โกรธบัณฑิตนั้นเขารู้จักวินยัยเช่นมีสังวรวินยัยมีปานานวินัยเป็นต้นนะฉะนั้นการครบหาสมาคมกับบัณฑิตนี่มีแต่ดีอย่างเดียว เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าการครบกับบัณฑิตนี่แหละเป็นมงคลเนี่ยนะพระองค์สรรเสริญทรงยกย่องมากบัดนี้เมื่อจะทรงสรรเสริญการบูชาบุคคลผู้เข้าถึงความเป็นผู้ควรบูชาโดยลำดับด้วยการไม่คบคนพาลและการครบบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในสามมงคลแรกเลยนะเน้นว่าอย่าไปคบคนพาลคบคนชั่วทั้งหลายนะให้ไปคบ บัณฑิตทั้งหลายแล้วก็ให้รู้จกักบูชาบุคคลที่ควรบูชาถ้าพูดแบบไทยๆก็ให้รู้ว่าให้รู้จักที่ต่ำที่สูงอะนะว่าบุคคลไหนสูงขนาดไหนต้องเคารพต้องกรบาบไหว้ต้องนับถือเนี่ยนะก็ให้ไปบูชาเคารพบุคคลที่ควรบูชาคนที่ควรเคารพคนที่ควรบูชาเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นแหละถ้าเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพิเศษเลยนะในปูชนียะเนี่ยบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยนะ เพราะทรงเว้นจากโทษทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีโทษทางกายโทษทางวาจาโทษทางใจสักอย่างเลยนะแต่ความชั่วทุกชนิดไม่มีในพระองค์และพระองค์้ทรงประกอบด้วยคุณธรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาพิมุติิมุติยานัศนะสัท ธ, ธาวิริยะฮิริโอตตะปะโดยเฉพาะปัญญาทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับคุณธรรมทุกอย่างเนี่ยนะมีอยู่ในพระองค์หมดเลย ถ้าคุณธรรมที่รองลงมากว่านั้นรองกว่าพระพุทธเจ้าก็พระประเจ ก, กับพุทธเจ้าพระอริยาสาวกทั้งหลายก็เชื่อว่าปูชนยะหมายถึงว่าผู้ที่มีคุณธรรมควรแกการบูชาเหมงอนั้นผู้ที่ควรบูชาจริงอยู่การบูชาปูชนยะบุคคลคือคนที่ควรบูชาเหล่านั้นแม้เล็กน้อยก็เป็นประโยชน์สุขตลอดกาลนานเนี่ยนะถึงทำบูษ บูชาท่านเนี่ยนะกราบไหว้ยก ong, ย่องนับถือก็โหเป็นเหตุให้ใน ร, รับความสุขมหาศาลเหมือนอย่างพระนางมาริกาเนี่ยนะพระนางมาริกาเนี่ยทําบุญกับพระพุทธเจ้าใส่บาตรครั้งเดียวเนี่ยนะได้เป็นเทวีเลยวงนะงั้นได้เป็นมเหสีของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลอยนะผลของการถวายทําบุญครั้งเดียวส่วนนายสุมาณามลาการก็ว่าเช้าวันหนึ่งเนี่ยนะ พูดถึงนายสุมาณมาลาการที่บูชาพระพุทธเจ้าแล้วทําให้รับประโยชน์และความสุขเนี่ยนะเช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้านี้ทรงอันตรวาศคือนุ่งสบงแล้วก็ทรงถือบาตรจีวรเสด็จเข้าไปบิยทบาทในกรุงราชครึกขณะนั้นนายช่างดอกไม้ชื่อว่านายสุมาณมาลาการกําลังเดินถือดอกไม้สําหรับพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงประตูกรุง ผ่องใสเนี่ยนะศรัทธาก็เกิดขึ้นเลื่อมใสเนี่ยนะในพระพุทธเจ้านที่ประดับประดาด้วยพระมหาภุริลักษณะส2ิบสองประการและพระอนุพยัญชนะ80ประการนนะรุ่งเรืองด้วยพุทธสิริเนี่ยนะซึ่งพระองค์เนี่ยผ่องใสหน้าเลื่อมใสมากนะพอเขาเห็นแล้วเขาก็เลยคิดว่าพ ร, ราชานี้ทรงรับดอกไม้แล้วก็จะพึงประทานทรัพย์ร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่ง ก็อันนั้นก็จะเป็นเพียงความสุขในโลกนี้เท่านั้นคือถ้าเอาดอกไม้ทั้งหลายแหละไปไปให้พระราชาก็ได้รับทรัพย์เท่านี้แหละอันนี้ก็ประโยชน์สุขแค่โลกนี้อย่างเดียวแต่การบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมมีผลประมาณไม่ได้นับไม่ถ้วนนำประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาลนานอันนี้เขาเรียกว่ามีกรรมสศกตาปรารบกรรมเป็นเบื้องหน้านะ พูดถึงว่าเออถ้าบูชาพระองค์แล้วเนี่ยสังสารวัตรเนี่ยเราอยู่สุขสบายแน่วาง น, นั่นนะความสุขต่อไปก็มีมหาศาลเอาเถิดเราจะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้เหล่านี้ดังนี้เขาก็มีจิตเลื่อมใสจับดอกไม้กําหนึ่งเหวี่ยงไปเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าวิธีบูชาก็คือโยนดอกไม้นะจับดอกไม้ค่ะโปรยไปข้างข้างหน้าพระองค์นะ ดอกไม้ทั้งหลายไปทางอากาศประดิษฐานเป็นเพดานดอกไม้อยู่เหนือพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเป็นเพดานลอยอยู่ในอากาศอย่างนั้นแหละนายมารการเห็นอนุภาพนั้นก็มีจิตเลื่อมสายยิ่งขึ้นก็เวียงดอกไม้ไปอีกกําหนึ่งแม้ดอกไม้เหล่านั้นก็ไปประดิษฐานเป็นเกาะดอกไมนนะ้ไปเป็นเกาะหุ้มเลย นายมาลาการก็เวียงดอกไม้ไปอีกแปดกรมอย่างนี้ดอกไม้เหล่านั้นก็ไปประดิษฐานเป็นเรือนยอดเป็นเรือนดอกไม้ทันทีนะเป็นเหมือนกับดอกไม้มาคลุมไปทั้งหมดเลยนะก็โพงเสด็์ไปยังไงดอกไม้ก็ตามไปตลอดแบบนั้นถ้าผู้มีประภาคประทับอยู่ในเรือนยอดมหาชนก็ชุมนุมกัน